ภิกขัมังสมภลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรง นามสกุลเกศเวชต่อมาลูกหลานได้ใช้เกศเวชเดือน 4 ขึ้น 8 ค่ำปี 2390 ที่บ้านมะขามเท้าอ่าบ้าน โยมแม่ชื่อนางทองดีตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลมะขามแท่วมีบุตรและธิดาได้กัน 9 คนหลวง ในสมัยนั้นสมัยนั้นมีอาชีพทำสวนไม่มีลูกก็มา 10 ขวบเมื่อหลวงปู่ เมื่อหลวงปู่อยู่ในวัยชันๆน้อยๆโดยยึดลําคลองบางเขนซึ่ง เมื่อการคมนาคมทางบกปีก็ได้ภรรยา หลวงปู่ท่านคลอง 22 ปีท่านได้ลาไปอุปสมบทที่วัดโพบังเขนหรือปัจจุบัน 22 ปี ซึ่งต่อมาก็ส่วนโยมพ่อโยมแม่ไม่ได้มาร่วมวิธีด้วยชื่อเป็นวัดอดีต ท่านเจ้าอาวาสวัดภูทองล่างซึ่งเป็นพระสงฆ์ฝ่ายรามมันที่ แล้วก็หลวงปู่เฒ่าวัด โดยมาพักอยู่ที่วัดร้างแห่งหนึ่งข้างหมู่บ้าน จนถึงพุทธาวาสธรรมวาสและสังฆาวาสเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบจน เนื่องกระทั่งมารดาท่านที่วัดปากคลองมะขามแท้อำเภอปีแรกๆที่วัด แต่ถ้าว่าสภาพของวัดอู่ทอง กล่าวว่าในงานนี้เองหลวงปู่ท่าน ไม่ค่อยจะมีรั้วรอบขอบชิดเป็นส่วนใหญ่ก็ได้อาศัยสุนัขที่ สมัยก่อนนี้ท่านจะมักจะถามว่าวัดท่านจะให้ครบทุกคนคลองประสิทธิภาพของพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของท่านค่อยๆเนื้อตะกั่วจะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดปากคลองมะขามแท่วซึ่งตั้ง เพื่ออาศัยบารมีของท่านช่วยป้อง ทีนี้มาถึงเรื่องที่เสด็จในกรมหลวงชุมพรฝากตัวเป็นศิษย์ครับอันนึงมีผู้กล่าวว่าท่านมีวิชาอาคมเวท ซึ่งเป็นพระราชโอรส 28 แล้วก็เป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระ จึงเป็นเหตุให้หลวงปู่สุขและพระองค์ท่าน ดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนั่นแล้วก็ได้วาด เมื่อหลวงปู่ภาพเขียนฝีมือเสด็จในกรมท่านมีลูก และได้ทรงสอดแทรกอารมณ์ขันธ์ในเมื่อ จึงพากันพละหนีพระองค์ไป บ่าคลองมะขามแท่นนอกจากพระโวสถแล้วยัง ท่านยืนเข้าประทับทรงจากที่บูชาจังหวัดนครสวรรค์รับเอาท่านแม่ทัพ ขณะนั้นยังคงรักษาเก็บไว้ที่ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ทําให้ประชาชนทั้งใกล้และไกลๆน่ะมันมีน้อย แล้วก็ยังพาคณะเข้าต่อเข้าซอยไปจนกระทั่งถึงเรือกระแชงที่จอดลอยลำอยู่ในคลองมหานาคนั้นมันเป็นการเดินทางที่สลับซับซ้อนและวกวนน่าดูแต่ร่าง รับุ 2465 อยู่ที่ซุ้มหน้ามณฑบอีกด้วย ซึ่งเต็มไปด้วยดอกบัววิกตอเรียมีใบกลมขนาด คนเลยเรียกกันติดปากว่าลุงท่านจะต้อง 1 ครั้งเป็นอย่างน้อยพอ 3 วันวันแรกไหว้กระบองวัน 2 ไหว้ครู 3 จะไหว้ จะมีการแจกพระเครื่องราง ซึ่งเป็นฐานาในหลวงปู่สุขและก็เลขยันต์ซึ่งคุณหมอสำนวนปาลวัฒน์วิชัยแห่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดชัยนาทซึ่ง ได้ตีพิมพ์ตำราอักขระเลขยันต์ของๆแต่ทว่าในตำราอักขระเลขยันต์ๆไปซึ่งมี 56 พระคาถาห้องพระพุทธคุณลงเป็นยันต์ ลงมะอะอุที่คือนะมะพะทะอันนั้น เป็นเพราะอำนาจจิตที่ท่านได้ฝึกฝนมานั้นกล้า เช่นท่านเสกใบมะขามให้ไม่เป็นตัวต่อตัวแทนเสกหัวปลีให้เป็นกระต่าย จากหนังสือพระกฐินพระราชทานสมาคมศิษย์อนงคาราม 2519 เรื่องพระใบปี 2459 ได้กล่าวไว้ ลงตะกรุดพิสมรบ้างโดยยื่นแผ่นเงินทองหน้าใครลงคาถาบางคนขอเมตตาบางคนขอการค้าขายหลวงพ่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงข้าพเจ้าถามว่า เมตตายายไม่เอาหรือหลวงพ่อท่านพูดติดตลกคนขอก็บอกว่า มันอยู่ที่ผมเสกเป่านะๆข้าพเจ้า ก็ได้รับคําตอบเช่นเดียวกันข้อนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าท่านสําเร็จสมถภาวนาแน่ๆๆไม่ถามอะไรซึ่งก็ไม่ตอบไม่พูดเช่นเอ่อเขาว่า หลวงพ่อก็ตอบว่าหลวงโลกเสร็จแล้วท่านอีกหลวงพ่อพูดต่อไปว่าเวลานี้กรมหลวงชุมพรไปต่างประเทศตอนนั้นเข้าใจว่าตอน อ่าเป็นเวลา 2466 ไม่ปรากฏ 76 ปีวันสวดพระ 7 วัน 7 คืนจึง ซึ่งท่านมรณภาพล่วงไปแล้วกว่าครึ่ง ภาพ